بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ف ้าห ة ้าดรอหน้าดรอตั้งฟินนุจูมฟังว่าِ่านนิสสิ ل ฟังว่าท س َนِิสส ن س ัสมีลาอูรราะห์มานุรราะ ا ل อ ح ม م ินน ل ลฮะมดุ ن ลอฮ์นะฮ์มดุห์วะ ت ัสต้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 أعوذ ب ك ا ل م ا ت ا ل ل ل تا مات من ش ر ما خلق بسم ا ل ل ه الذي لا يضر م ع ا س م ه ش ي ء م في الأرض ولا في السماء وهو سميع ا ل ع ل ي م ر ض ي ت ب ا ل ل ه رب و بالإسلام د ي ن ا وبمحمد الرسول ا ل ل ه م إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر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 ولا تكلني إلى نفس طرف عين حسبي الله بنعمل وكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมน้ำสมาธิมัสยิดอันวาลิสุนนะคอนกรีตนะครับและพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านบางคนนั่งอยู่ที่ร้านก็มีนะบางคนนั่งอยู่ที่ที่ตลาดนะก็ ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาอลาที่อัลลอให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้แล้วก็ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้ต้องขอบคุณอัลลอไม่มีอะไรดีเท่ากับขอบคุณอัลลอขอบคุณอัลลอหลังจากหลับไปแล้วตื่นมานบีสอนสอนดวอาด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาด อภยนะบัดมะอมาตนะไวลหินโนชุดท่านบีไม่สอนเราคิดมเอคิดไม่อนะครับก็ขอบคุณอัลลอ์ก่อนที่จะเรียนอ่านคุรานอายะที่8สนี่นะครับวอินนมินชีอติฮลอบรอฮีมมีี a i t h ของท่านอบีอม่ใช่ h a d i t ของท่านซนอลี นะครับไซนาลีเนี่ยเป็นลูกศิษย์นบีนะเป็นลูกศิษย์นะเป็นสหายนะเป็นคอขรรยาด้วยนะท่านให้ความรู้ดีมากนะท่านบอกว่าอยากเป็นคนซอแร่ไหมทุกคนอยากเป็นคนซอแร่เป็นคนดีหมดเลยถ้าเป็นคนอยากเป็นคนซอแร่ต้องไม่มีห้ารายการนี้อยู่ในตัวเองเคลออีกหมด ถ้าไม่มีห้ารายการนี้อยู่ในตัวเองนะครับพี่น้องไอ้ที่มีอยู่เนี่ยค่อยๆกระจัดออกซ ะ, ะจะกลายเป็นคนซอซลิไฮน์เป็นคนซอซลหะข้อที่หนึ่งไม่อยู่แบบคนจาเฮนไม่พอใจนะที่จะอยู่แบบคนยาเฮนอยู่แบบไม่เรียนนะ่ะเอาว่า ถ้าต้องการจะเตือนว่าอยู่แบบไม่เรียนอิสลามไม่เรียนอัลกุรอานไม่เรียนสุ น, นัขนบีเนี่ยจะเป็นคนสอนแล้วไม่ได้ฉะนั้นต้องขจัดเอาความใาเห็นนี่ออกไปคือไม่พอใจนะคนที่พอใจกับความใาเห็นนี่ก็เรียกว่าคนคนไม่ดีนะถ้าหากว่าเราไม่พอใจที่จะอยู่แบบคนใาเห็นไม่เรียนทั้งสือไม่อ่านอะไรสั้งอย่างเนึ อยู่กับเป็ดอยู่กับไก่อยู่กับวัว ก, กับควายอยู่กับการหาเงินหารีสกีอย่างเดียวมันจ ะ, สะแสวงหาความรู้นี่นะคนย่อมนี้จะเป็นคนสอนได้ไหมไม่ได้นิสสาราลารีสอนอะเรื่องที่สองพอใจกับโลกดุนยาใบนี้พอใจกับโลกดุนยาใบนี้เป็นคนสอนได้ไม่ได้ง่ายไหมง่ายแต่ทํายาก พอใจกับโลกดุนยาใบนี้อรอพี่น้องหลงดุนยาใบนี้อาดุานยาใบนี้มีกี่อย่างละ่ะมีสี่อย่างหนึ่งเงินสองชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศ อ, อีกข้อหนึ่งผู้หญิงด้วยไอห้าข้อนี่แล้อร่อยหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ใชบานในาขับผู้หญิงโอ้โหตามมาเต็มเลยถ้าหลงโลกดุนยาใบนี้นะจะเป็นคนซอนแล้วไม่ได้ให้นึกถึงโลกรใดเยอะ ตรงเงนข้างบนรลุดุน ญ, ญาโลกอะไร <N un> นักเองนะ่ะโลกอาเะรอเรื่องที่สามพี่น้องขี้เหนียวขี้เหนียวเอาลอโปรดปรานประทานริสกีให้กับท่า น, นไม่เคยให้ใครเลยให้ความรู้มาก็ไม่เคยสอนคนให้ของดีที่อยู่ในตัวเร า, เอาอบอลรอให้คนคนละอย่างล ะ, ละอย่างไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามีแล้วนี่ขี้เหนียว ไม่เคยส่งให้ใครเลยไม่ให้ใครเลยพี่น้องจะเป็นคนสอนแล้วไม่ได้อิสนาลีสอนดีนะอัลลออักบัข้อที่ี่ทำงานอะไรก็ตามเพื่อการโอ้อวดเป็นคนสอนแล้วไม่ได้ทำเพื่ออวดอย่างเดียวจะบริจาคก็ อ, อวดมีรถขับก็ อ, อวดอัลลออวดหมดุด มีบ้านก็อวดมีปัจจัยยังชีพจะเอาล้อให้อวดมดเลิศเป็นคนสอแล้ไม่ได้อล้อโคตสุดท้ายปีปน้องครับภูมิใจกับความคิดความอ่านของตัวเองฉันนี่ความคิดความอ่านโอ้โหาเรว่า อ, อ, อ, อ, อ, อัลอัลยาจาบบุบิ ร, รอยอลัลลอฮฺปรากด อัลกอนาตุบ <c oughs> <t os> ิลจารีภาษาอังกฤษนะอัลกอนาอัตุบิลจารีวอลฮิซุอัลลอดุลย์วอลชูฮุบิลฟัตลีวอลริยาฟิลอามัลีวอลียะจับูบิลรออีอัลลอฮฺตะครับตัวลงหรายการนี้อยาให้มีอยู่ในตัวเรานี่ยถ้าใครไม่พอใจห้ารายการนี้เขาเป็นคนสอหละพูดมาอีกครั้งนะครับพี่น้องอีกหเจนาทีแล้วอัลกอนาตุบิลจาเขา ไม่พอใจกับอยู่แบบโง่โง่ใครพอใจอยู่แบบโง่โ ง, โง่คนนั้นเป็นคนสอนแล้ไม่ได้แล้วก็หลงดุญยาเป็นคนสอนแล้ไม่ได้แล้วก็ขี้เหนียวอะไรในะความโปรดปรางที่อาล็อปประทานให้กับท่านเนี่ยไม่เคยไม่เคยให้ใครเลยนี่นะเป็นคนสอนแล้ไม่ได้แล้วก็อามันงานทุกทมแต่ละอย่างจะเป็นความดีแล้วก็ตามแต่ทำแล้วเพื่อการ โอ้วด oh, เป็นคนสอนแไม่ได้แล้วข้อที่ห้าภูมิใจในสติปัญญาของตัวเองเป็นคนสอลแไม่ได้ต้องทำตรงกันชามเพจะเป็นคนสอนแได้ห้ามดุลิยาง์เป็น น, น้องรับเอาวันนี้มาอายาที่แปบสว่าอินนมินชีอัติฮิลอิบรอฮีม و ِนน์มิ่นชีอะตีฮิลอَบรอฮิมวินน์ม ع َ ت ِ ه ِ ل َ إ ِ ب ْ ر َบรِ ي م มคำแปล น, นะครับซีอะร์ะซีอ์เนี่ยแปลว่าอะไรในตัฟซีดหลายเล่มผมเช็กดูนะซีอะ์เนี่ยแปลว่าผู้ติด ต, ตาม หรือผู้ช่วยเหลืออาชีย่าผู้ติดตามหรือแปลว่าผู้ช่วยเหลือในภาษาของตัปสีมาวดีบอกว่าอาชีย่าอัลอาตบะผู้ติดตามอาชีย่าอัลอาวานผู้ช่วยเหลือแล้วก็ซาปภาษาอรับเนี่ยอาชีย่านี่แปลว่า ไม้ฟืนเล็กๆอยู่ในกองฟืนไม้ใหญ่ๆเวลาจะเผาเนี่ยเขาเอาไม้เล็กๆมาเผาก่อนเพื่อที่จะให้ฟืนอันโตๆพังไปด้วยนี่ก็ใช้สัพท์คำนี้เหมือนกันห้ำอยู่เลยแหละตัวนงว่าผู้ที่ติดตามผู้ที่ปฏิบัติตามผู้ที่ช่วยเหลือช่วยเหลือใคร ว่อินน์มินชีอาตีแท้จริงผูท้ที่ปฏิบัติตามผู้ที่ติดตามผู้ที่ช่วยเหลือฮีน่ะช่วยเหลือใครช่วยเหลือนบ oh ีนุห์เดี๋ยวเราลองพูดเรื่องนู้ดเรื่องเรื่องนบีนุ่ห์อยู่นะใช่ไหมเพราะว่าคนที่ขึ้นเรือนบีนุ่ห์น่ะกี่คนแปดสิบคนใช่ไหมมีลูกสาวมีลูกชายมีและมีแพะแก่มีวัวควายขึ้นเรือหมดเลยใช่ไหมล่ะ ตอนจมน้ำตายนะนะอายาที่82สบสองซุมมาอักรกนาลาคอรินและเราได้จมพวกอื่นๆในน้ำอายาที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับทีนี้ว่าอินนามินชีอาติฮิลาอิบรอฮิแท้จริงผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของเขาแนวทางของนบีนวฮันนั้นคือใครรู้ไหม ลาอิบราฮิมแน่นอนคืออิบราฮิมเราเรียกว่า น, นบีแต่อัลลอฮ์เรียกอิบราฮิมใช่ไหมแต่คุณอาเรียกอิบราฮิมแต่เราเนี่ยต้องเรียกว่างไงนะนบีอิบราฮิมนี่อัลลอฮ์ต้องการจะชมนบีนู้นนะปลอดภัยนะคนที่ไม่ขึ้นเรือนะปลอดภัยไหมไม่ปลอดภยัยตายหมด ถามว่าตายแล้วน่ะจบได้ไหมจบไม่จบตายแล้วถูกลงโทษในในในในในุในในในโบะนะในอัลลัมบัสซัปต่อแต่คนที่เดินตามแนวดะวะตับลิกของนบีนุ่อะลัยฮิสสลามนั้นเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วคุณอานอญญายะนี้เตือนท่า น, นคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของนบี นวัวอัลลอฮิสลามเนี่ยคือนบีอิบรอฮิมอัลถามว่านาบีนวัวน่ะสอนสอนอะไรทางนั้น่านแเข้าใจนะสอนสีเรื่องใหญ่ๆสอนสีเรื่องใหญ่ๆหญ่นั่นเปนองกับทุกนบีเลยนะที่นบีมาในโลกเนี้ไม่มีใครขวางอรรถสกุ ล, ลนหนึ่งนะเดินตามคําสั่งอลรถหมดเลยนะนบีนวัวสอนเรื่องงี้สอนเรื่องอกีดะ ว่าอัลลอฮ์มีกี่องอา้าวกี่อง ค, ครับตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะอัลลอฮ์มีองค์เดียวนี่นบีนวัวสอนอัลลอฮ์แล้วก็เรื่องที่สองตายแล้วต้องฟืน้นแสดงว่าคนนี่นะส่วนใหญ่ตั้งแต่สมัยนัวมาแล้วนะเชื่อว่าตายแล้วตายเลยตายแล้วไม่ฟืน้น ในยุคปัจจุบันนี้ขณะจบด็อกเตอร์บั ญ, ญาัติตรีบัญญาเอกก็เข้าใจว่าตายแล้วไม่ฟื้นเหมือนกันเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้นะแต่เราเนี่ยนะเดินตามอัลกรุรอานเดินตามนาบีฉะนั้นคนที่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยคืออัคีดาของนบีนวัดอัลลอฮ์ส่งมาสอนเราต่อมาเรื่องเรื่องที่สามมั่นคงอยู่กับศาสนานี่นบีนวสอเลยนะครับ ยึดมัน่นศาสนาอย่าลึดอย่ายึดแบบเล่นๆนะยึดให้แน่นเลยอย่างสมัยนี้ก็คือให้ยึดด้วยฟันกลามใช่ไหมอ่ายึดสุนทรนบีอัลโดอาไลฮบฮะบิลบินนวะยึดยึด้วยฟันกลามยึดให้แน่นอย่ายึดที่ที่ที่ฟันหน้าไม่ได้เดี๋ยวมันหักเอาเอาฟันกลามเลยนี่สุนทรนบีนั่นนบีในมีนบีนวนสอนเน้นเรื่องอารติดาเก้ารอยกปี 950หสปีนี่เรื่องอากีนะสองเรื่องตายแล้วฟื้นสามยึดมั่นในาศาสนาอิสลามแบบมั่นคงเรื่องที่สี่อดทนเมื่อสอนแล้วเขาแอนตี้เขาใส่ร้ายเขาไม่พอใจต้องซอบิรอนต้องอดทนนี่สี่ข้อใหญ่เนี่ยเรื่องความรู้ที่นา บ, บีนวัวสอนแล้วก็มีคนเชื่อกี่คนน่ะกนสอนตั้ง้ารยห้าปีเชื่อกี่คน รู้แล้วใช่ไหมแปดสิบคนเมีเชื่อไหมโอ้โหเสียใจนะมีไม่เชื่อลูกก็ไม่เชื่ออัวว่าแต่ที่เชื่อก็มี ม, ม, มีสามคนนะมาสามามยาฟิสอ่าเรียกเป็นลูกหลานของนัวปัจจุบันนี่ทั่วโลกนี่นะครับแล้วก็คนที่เชื่อนะบีนัวนะมีใครบ้างเนี่ยเอาละเอ้ยนะครับ ลาอิบรอฮีมแน่นอนคนนั้นคือนบีอิบรอฮีมถามว่านาบีอิบรอฮีมกับนบีนุ่นห่างกันกี่ปีผมอ่านกระตับซีดหลายเล่มนะสองพปี <c oughs> ในตับซีดไ บ, ย, บยดไบโดวีตับซีดกุรตูบีโอเยอะห กี่ปีนะสองพันหกร้อยสี่สิบปีห่างกันขนาดห่างกันขนาดนี้อร่อยยังเล่าไม่ฟังนะแสดงศาสถาอิสลามเนี่ยมาเป็นโอลอักบตดเป็นสายหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นยังครับเขาพระภูมิใจมาและเราเนี่ยยึดมัน่นเหมือนนบีอิบราฮีมใช่ไหมอ่เช่นอะไรบ้างอะอะไรนะไอ้ทาพัีใช่ไหมล่ะ แล้วก็เดินแซ่จะไหมขวางคนสหิมนี่นบีอิบรอฮิมทั้งหมดเราก็เชื่อดเออเชื้อสัต <c> ว <oughs> ์ตุลลงว่านี่ยเอา ล, ลอดชมนะว่าศาสนาของฉันนี่นะไม่ใช่มาในสมัยนบีมุฮัมมัดนะมาตั้งแต่สมัยนบีนวัวอิบรอฮิมจะเริ่รอยตามสุนนะเอาว่าสุนนะดีกว่าสุนนะของนบีนวัว ที่สอนเน้นๆน่ะมีอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะเรื่องอัลลอฮ์มีองค์เดียวสองตายแล้วฟืน้นสมมั่นคงอยู่ในศาสนากัดด้วยฟันกรามไดยนะแล้วก็ข้อที่สีเนี่ยให้อดทนเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก า, การอดทนเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมถ้าไม่อดทนเนี่ยใครจะมาฟังัำสิทะ อากาศเย็นอย่างนี้มันน้านอนอะเลมีมีสวยๆกองแต่งานใหม่ๆก็ไม่อยากจะมากนนั้นแหละแต่ว่าด้วยความอดทนเนี่ยเราหวังราวังตอบแทนจากอัลลอสฺซุหฮานะฮฺอัลลอฮฺอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลรอฮฺอัลลอฮฺอัลลอาฺอัลลองฺอัลลอฮฺแัวทางของลลอฮฺอัลลัอฮฺออัอ อิบราฮิมอัลลอฮ์เนี่ยนบีอิบราฮีมเนี่ยถ้าผมอ่านเช็คจา ก, กูรานี่นะมีเรื่องดีหลายเรื่องเลยเป็นตัวอย่างของพวกเราวันนี้หนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่นบีนัวไอ้ที่นบีอิบราฮีมทำอะ่ะกับลูกชายนาบีอิสมาอินงานอะไรนึกออกไหมวะอิสยัหฟ้องอิบราฮีมุลกวาอิดามินลบายติอิสมาอีนเห็นไหมสร้างกาบางานใหญ่มากเลยไปน้อง สร้างกาบาจากรากฐานเก่าที่มีอยู่แล้วก่อนหนะ้นานบีอิบรอฮิมก็มีนบีมาใช่ไหมล่ะนั่นแหละนบีนบีนู้น น, น, น, น, น, น่ะเขาก็ไปสวับที่มักกาจนหมดนะ้าทีนี้มันก็พังไปแล้วน้ําท่วมบ้างอะไรบ้างใช่ไหมพอท่วมท่วมกนันอยู่แล้วเนี่ยครั้งนั้นน่ะคา น, นบีน้ำท่วม ท, วมท่วมโลกอะ่ะพังหมดนะ่ะนบีอิบรอฮิมามามาอะไรมาพัฒนาใหม่อัลฮะมดุลิลละ พอทัพพัน พ, พัฒนาเสร็จแล้วนะครับขอดวงอาขอดวงอาดีมากรบบาราตอัลบับบลมินาอัอาลลอฮฺจะรับดวอาความดีที่ฉันสร้างกบาบ้างให้มีรางวัลแก่ฉันด้วยดีเลยไม่ดีนี่เตือนเราสอนเราเรื่องว่าเอ็งทําความดีแล้วต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์เอานามาเสซขอดว่าอัลลอฮฺจะรับนามาของฉันด้วยฉันบริจาคเงินไปแล้วรับการบริจาคของฉันด้วย ให้ความรู้กับประชาชนแล้วรถจ้าจตอบตอบแทนนี่ผมเวล่อเอาอาหารให้แม่สำหรับผมนะผมอา่านดูอาหารทุทีอัลลอฮุมะยูนีฟิมุซีบัตีวะคลิฟลีคอยรอมมินาก็พวกให้อาหารแม่ตอนตีตอนทีสามสี่ห้าหนาวก็หนาวนึกถึงก็เล่นอ่ะ เ, เ, เอาอาหารให้แม่เพราะะอลัลลอฮ์สั่งอ่ะดูแลผมไม่จะเลี้ยงสัตว์นะ มันมาอาศัยอยู่แล้วก็ให้อาหารจนกระทั่งมาติดเราไปแล้วเอ เ, เอาต่อมาครับนบีอิ บ, บรอฮิมทาาร้านบ้านไปน้องครับนบีอิ บ, บรอฮิมเนี่ยโยนไปในไฟแล้วก็ไฟไหม้หรือไม่ไหม้นี่เห็นยังครับแล้วอ่านอ่านอ่านด่อานบทไหนที่ไฟไฟไม่ไหม้อะไรครับ ฮัสบ eh, um um ิอัลลอฮ์หรฮัสบุนัลลอฮ์วันนอามัลวะกินอัลลอฮเป็นที่พึ่งของเราพอแล้วลฮามดูลิละเรื่องที่2เรื่องที่สมนะครับวาวัสรอบิฮะอิบรอฮิมูบานีฮิวะอักบบยาบุนยยอินนัลลอฮ์ัสตัฟาลักุมุดดีน فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون นบีอิบรอฮิมนะสามเสียลูก นี่ความเป็นห่วงเห็นไหมต้องการเตือนพวกเราว้เราอ่านกูอ่านเนี่ยเราได้ข้อคิดจากกูอ่านอะไรบ้างอะนบีอิบราฮีมน่ะเตือนลูกเนี่ยรู้ไหมเตือนเรื่องอะไรเป็นห่วงเรื่องอะไรเล่าให้ลูกฟังว่ายาบุนายยาลูกเอ๋ยอ um ินนัลอัสตอฟ์ลราคุมุดีนแท้จริงอลัลลอ์เนี่ยเลือกศาสนาหนึ่งให้กับพวกท่านนะศาสนาอะไรรู้มอิสลาม กว่าตาโมตุนลูกตายอยาตายเป็นเด็ดขาดจนกว่าลูกจะได้หันมาเรียนรู้มานับถืออัลลอฮ์ก่อนนี่ดูไหมตัวรว่าเตือนแล้วนะเวลามีลูกมีหลานเนี่ยอย่าห่วงเรื่องเงินเยอะห่วงเรื่องอะไรเรื่องศาสนาเรื่องอีมานเรื่องตักุวาเรื่องยาตีนเรื่องความเข้าใจอิสลามเรื่องอัลลอฮ์เราควรเนี่ยมันเรื่องใหญ่ที่สุดน่ะ เพราะเรามีอีมามิตรกวาแล้วก็มีาศาสนาแน่นล้วตายตายสบายทุกคนอ่ะมาเลย์กามงคาสนา ก, กินมาก็ไม่สอบเยอะไปหนะ่อยเอาๆนอนเนีสบายฉันไปแล้วฮัมมิ่งลีลาอยากริมิโน่นหนนะอ่ะทีนี้อัละห์สามสองเรื่องพอนะเรื่องมันยาวนะอ่ะตัวอายัดที่84 I ิจเจ้ารับประหูด้วย قلب สัลิมอิจเจ้ารับประหูด้วย قلب สัลิมอิจเจ้ารับประหูด้วย قلب สัลิมอัลลอฮฺอัลัยอาแปลนะยาอ์นแปลว่า มามายังมามาเดินมามาหานี่แหละยารบบาูพระผู้อภิบาลของเขาใครมารู้ไหมนบีอิบรอฮีมเนี่ยเข้าหาอัลลอฮ์อ่าเดินมาหาอัลลอฮ์บิกลบินมานะ่ะพาดันมาด้วยนะอลัลลอฮ์มองใี่ร่างกายของมนุษย์นะมองที่ไหนหรือเปล่ากลบุญที่ไหนหัวใจไม่ได้มองที่เงินนะ่ะ มันจะมองที่บ้านคุณนะมันจะมองที่รถคุณนะมัได้มองตําแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศตรมีเมียกี่คนมันจะมองตรงนี้กอนบุญมองที่หัวใจอะไรย่างค ร, รั บ, บ, บ, บนี่ตัวเราอ่ะอิบราฮิมได้มายังหรือว่าเดินเข้าหาอัลลอฮ์แต่ผู้อาภิบาลของเขาด้วยดวงใจอัน พองแผ่ว อ, อัลลอฮฺอาควัดนี่ประกาศในคัมภีร์คุณอานเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังอัลลอฮ์ให้กับมุฮัมมัดเอ้ยบุคคลตัวอย่างในอดีตเป็นปู่ย่าตายายเราเรียกเด็ดเดี่ที่เลยไม่ใช่ยอ่อเราแชร์เราปู่ย่าตายายนะนบีอิบรอฮิมเป็นปู่ย่าตายายเราเวลาเขาเข้าหาอัลลอฮ์เนี่ยเข้าหาแบบไหนเขาเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่สะอาด ของแพ้วบริสุทธิ์อัลลอฮหุอัลอฮอาทินี้หัวใจสะอาดอธิบายยังไงหัวใจสะอาดในในตับซีดนะครับอินุกะซีอธิบายาว่าต้องมีสามขอ้อถึงจะเรียกว่าสะอาดได้ข้อที่นนหนึ่งผมอ่านภาษาอ раб อีกหนึ่งมัลกลบุสลีหัวใจสะอาดคือใจใจใ จ, ใจใอะไรยะลมอันัลลอฮฮักุล รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ย ม, ม, มีองค์เดียวเท่านั้นแหละแล้วลมีจริงด้วยนั่นแสดงใจใจสะอาดนะครับรู้รับรู้ว่าโอ้อัลลอฮ์มีจริงครับมีองค์เดียวถ้าปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มีนะนั่นใจคุณไม่สะอาดแล้วเห็นยังเรื่องที่สองนะครับว่าอันนัซาอัตอาตุยตุลลาโรยบาฟิฮาวันกิยามะมีแน่ สงสัยไม่ได้นั่นก็ใจสะอาดเราก็สอนลูกเราสิเรื่องอย่างนี้สอนได้ใช่ไหมลนะ่ะพอสอนสี่ห้าทีก็าจำแล้ว <c oughs> เรื่องที่สามนะครับว่าอ <c oughs> ัลลอฮะยามาสูมฟิลกูบูร์อัลลอฮจะให้คนที่ตายทั้งหมดนั้นฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นี่จนะเรียกว่าหัวใจสะอาดอัลลอ์มีองค์เดียวเรื่องใหญ่ ม, ยายมากเลยเรื่องที่สองมีวันเตียมะ เรื่องที่สามทุกคนที่ตายแล้วฟื้นไม่ฟื้นฟื้นหมดแพะแกวัวควายก็ฟื้นแพะแกวัวควายที่เป็นคู่กรณีนะ่ะฟื้นหมดเลยอะ่ะบางคนลักแพะชาบ้านไปจะมากไม่ต่บ้าตัวต่อล็อกแพะมาด้วยแพะตัวที่ตัวรักนะนะั่นแหละมานี่ยไงหิ้วแพะมาด้วยสิบตัวอ ล, ลอไอเ ข, ขาขายขี้หน้าเชาวบ้านแันะ้วน่ะแล้วคนทั้งโลกไปเนาะ อาคนนี้รักแพะแล้วเนี่ยอยู่บนดุลยายายาตะบาตัวให้หมดก่อนที่จะกลายกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนที่ให้หมดพี่น้องตัวรงวังหัวใจสะอาดเนี่ยอธิบายยังไงต้องมีกี่ข้อนะสามข้อหนึยืนหยัดในอัลลอฮ์องค์เดียวเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสองไม่มีสมชิดิกบีไหมต้องไม่มีเลยนะอันใจสะอาดตัวตะเกียบไม่มโตระยองไม่มีโตัอะไรตอะไรตลงลงลงนาไม่เกี่ยว มันคือผมผ่านไปมีโต๊ะลงนาก็จัดงานกันนะปากเงินนี่พอแล้วท่านฮะสซันบอกว่าหัวใจสะอาดนัสลีมุบินชิรกิอ่านี่ข้อที่สี่้ลนะข้อที่ห้าท่านอรุวะบอกว่าลายกูนาละานันต้องไม่เป็นคนที่แช่คน้นด่าคน้นตำหนิคนใจสะอาดแต่ข้อห้านี่ดีนะ <laughs> เตือนกันพวกเรานี่นะท่านสามีภรรยาต้องไม่ทะเลกกาะกันผัวจะต้องไม่ด่าภรรยาภรรยาไม่ด่าสามีเพราะละอานแบบว่าชอบด่าคนน่ะข้อนี้ต้องไม่มีด้วยนี่สามข้อจะมาการเป็นสี่ข้อฮัสซานว่าไงนะต้องไม่มีชชริกท่านเอาเรือว่าแบบว่าลายกูนุลละอันนั้นต้องไม่เป็นคนที่ด่าคนตําหนิคนสาบแช่งคนดีเลยไม่ดีอิสลามสอนดีหมดเลยพี่น้องครับถฟังบ่อยๆเนี่ยรออิมั่นเพิ่มนะ อ่ทีนี้คำว่ากอบุญเนี่ยแปลว่าหัวใจในคัมภีร์คุณอ่านอัลลอฮ์เตือนนบีนะหัวใจนบีจะต้องทำตัวยังไงคุณอ่านสั่งอย่างนี้ฟาบีมารอฮ์มาติมินัลลอฮิลินเตลหุมวลากุนทัฟัลนักรีดอลกลบิลัมฟับดูมินฮาวลิกเนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอ์ที่ท่านนบีมหามัดเนี่ย ออนโยนต่อสหบาบานบีเนี่ยอัคลากนาบีนะไม่เคยด่าสราบาเลยไม่เคยตาหนิสราบาไม่เคยด่าสราบาไม่เคยทะเลาะกับสาบเนี่อัลลอ์ชมนบีใช่ไมที่นบีเนี่ยอยู่กับสราบาแล้วก็เมตตาต่อสราบออนยนออนโยนต่อบรรดาสราบาเพราะความเมตตาอัลลอฮ์ประทานให้ เนี่ยใช่เมุตอกี้นะคนจะจะเป็นคนสอนแล้ได้เนี่ยอยากคิดว่าโอ้โหปัญญสติปัญญาฉันนี่นะเลิศแล้วนะไม่พึ่งอัลลอฮ์เลยนะเองเป็นคนสอนแล้ไม่ได้นี่นีอันนี้ย์นี่ก็รมเกันเพราะฉะนั้นที่ท่านนาบีอ่อนโยนเนี่ยเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าหากท่านนาบีมีนิสัยที่ก้าวร้าว แข็งกระด้างแน่นอนสว่ า, าบ้านอเบกจะตะเลดิดออกทีละคนสองคนสาคนอยู่คนเดียวอ่ะอยู่กับเพียรกันสองคนอ่ะเอาอ่ะอย่าเอาเลยเป็นน้องเอออยู่กับยามาดีกว่าอยู่กับสังคมอย่าเห็นกระตัวเยอะไม่เอาใครเลยเป็นน้องดีละ่ะเฉะนั้นอยู่ในอิสลามเนี่ยสอนให้อยู่กับยามาคนที่อยู่กับยามาต้องหัวใจที่นิ่มนวลอย่าแข็งกระด้างอย่าก้าวร้าวอย่าตำหนิคนอย่าด่าคน ทำง่ายทำยากทำง่ายพนดาคนเราทำยากอ่าเอาต่อมาครับอัลลอฮ์ไม่ชอบคนหัวใจแบบไหนก็ได้คืยตบะอัลลอฮฺอาลัยุลีกาลบิมุตะกับบิรินยับบะสุราโมินอยที่มิอัลลอฮ์เนี่ยไม่ชอบนะคนที่มีหัวใจที่จองหองและเย่อหยิง อย่ายิงจอมหองยะโสอัลลอฮไม่ชอบสอนรยยเราเยยะยะอย่ า, ายิงอย่าเตะท่านเลยอย่าอย่าวางตัวอย่าเตะท่านกันเลยนิ่มนิมนอบน้อมนอบน้อมท่อมตนดีกว่านี่เป็นลักษณะของผู้ศรัทธาต่อววตอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าแะก็ ت ع ต ل อลอมาอายจที่แปดสิบห้า إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ ي ه و ه م ه ا, ا ذ ا, ا تعبدون เราทมดูลิลลอเนี่เาแต่นิดนิดแต่นิดนิดแต่นิดนิดให้เราได้อธิบาย เ, าเข้าใจคุรานนะครับอยายะนี้อธิบายอย่างนี้นะครับอิสกอละอิสแปลว่าเมื่อกอละแปลว่ากล่าวหรือพูดใครพูดหรือไมอิบรอฮีมพูดกับใครลีอาบีฮิแกบิดาของเขานี่ลูกคุยกับพ่อ นี่เป็นความเพิ่มความรู้หมดน่ะลูกต้องคุยกับพ่ออ่านี่เป็นการสอนเหมือนกันนะสอนเรื่องมารยาทเนี่ยลูกต้องให้เกียรติพ่อต้องคุยกับพ่อไม่ใช่หน้าบึง้งไม่ใช่พ่อทําผิดนี่ก็ไม่ใช่เตือนเลยนะต้องรอไปก่อนสักระยะหนึ่งวันสองวันสามวันก็คอ่คอยคุยกับพ่อนี่นบีอิบราฮิมคุยกับพ่อรู้ให้พ่อหลวงพ่ออิบราฮีมไม่เชื่ออะไรอาซาร์ อ, อาซาร์ ว่าเามีฮีและมูชนของเขาโอ้ในงานดาว่ามาแล้วนบี บ, บรอฮิมเนี่ยพูดกับคุณพ่อของเขาชื่อท่านอาซัดแล้วก็วก่าเขามีฮีและพูดกับมูชนของเขาทุกคนมีญาติเป็นน้องหมดแล้วพอพูดแล้วจะพูดไงวะ ถามดีนะมาตาบูดูนพวกท่านเคารพพักดีอะไรกันเนี่ยอันทีนี้ในในประวัติศาสตร์เขียนบอกว่าพ่อของนบีอิบราฮีมเนี่ยมีอาชีพทาเจเวตบ้านเจเวตพอบ้านแล้วก็ขายอีกได้ริสกีทางนี้ได้ริสกีทางทางทาง ทำทำําทํำเจเวดขายขึ้นคนสมัยก่อนไม่เข้าใจอั น, นึกว่าทําได้ก็ทําก็ทํากันเอาร้องก็เป็นห่วงเยอะมากก็ะทรวงลูกชายมาดูสิอยู่ในบ้านที่ปั้นเจเวดกราบเจเวดแต่เอาร้องให้ลูกชายรอดมาคนหนึ่งเห็นไหมในค่ายก็ความสามารถของใครเขาเนาะเขาต้อ ง, ตงนึกตรงนี้เยอะๆโอโลอากรบานเรามีอยู่ครอบครัวจะโ อ, อยาดเราจะกุญญวิสุขเอาร้องโผล่มาคนหนึ่ง มีความรู้ศาสนะอาอารยะดีมันได้ดีโผล่ ม, มคนหนึ่งหนอกนานชายไม่ได้สักคนหนึ่งเพระต้องนึกนกันในครอบครัวนบีอิบรอฮิมและพักพวกของเขาเนี่ยนะมีนบีอิบราฮิ ม, อ, นะมอัลลอฮ์เอาเอาอกมาคนหนึ่งแบบกูเรชนะ่ะอัลลอฮ์ให้นบีห ม, มัดขึ้นมาคนเดียวนะแล้วก็มาสอนคนกูเรชเช่นยังครับนี่ก็เหมือนกันเอานอิบรอฮิมขึ้นมาคนหนึ่งอิบราฮิมก็ถามคุณพ่อคุณพ่อครับ ญาติพี่น้องเอ้ยยานกำลังกาลังกราบอะไรกันอยู่กำลังอิบราดะอะไรกันอยู่ <Akbar> อัลลอฮ อ, อัลลอฮฺอัลลาฮฺาบบาอัลลออลอฮบอัลลอฮฺอัลลฮอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺออฮฺอาลลฮลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลาฮฺอัลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอฮฺอัลลอฮฺอัลลัลลออัลลอ ในสุร ช, ช, ชวารก็พูดพูดแบบนี้แหละอพูดแบบนี้แหละแต่ว่ามาอิสกาลิอาบีวก้ามิมาตับูดูนแต่อาย่านี้มาดาไม่มีดาในชวรกเนี่ยม า, มาตับูดูนมาดาตับูดูนี่ความหายเหมือนกันมาหรือมาดาแปลว่าอะไร นะครับอิบรอฮีมถามพ่อแล้วก็พักพวกญาติพี่น้องของเขาว่วาพูกท่านนี่กำลังกราบกราบกราบอะไรกันกันอยู่นี่ก็แบบนบีมุฮัมมัดเหมือนกันนะเนี่ยเอาชีวิตของนบีอิบราฮิมมาเทียบ ก, กับนบีมุฮัมมัดนะรู้ปล่านบีมุฮัมมัดเนี่ยที่เอาลอ์ลลให้เป็นนบีสอนพ่องท่านตายไปแล้วใช่ไหมเป็นกบพร้าใช่ไหมญาติพี่น้องเนี่ยสอนที่มักกาเนี่ยนะ เรื่องเตาฮีดอย่างเดียวกี่ปี13ปีทั้งๆที่รูปจวเจวิตในกะบ้านมีเท่าไหร่360กว่าจวเจวิตนะระหว่างที่สอน13ปีไม่เคยแตะจวเจวิตเลยถ้าแตะแตั้งวันแรกนะอยู่ไม่ได้ นี่พูดยังอัลอลอฮ์อัลลอ์อัลล์สร้างนูนอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กงมันกังคืนสั่งมนุษย์ราสัว์อธิบายตายเราตฟูนฟูนอธิบายถึงความเป็นความตายเรื่องอัลลอฮ์สร้างอะไรมาคุยกันไปน้องพอจะแต่เรื่องเรื่อง เ, องเวีภาพต อ, อุพยพฮิจรร็อห์เห็นว่างานนาบีเนี่ยทำไมต้องเหนื่อยฮิจรรห์ไปมาดีน่าก็ขึ้นไม่ร้อนเนี่ย งานไหนจะหนักกว่ากันงานฮิจโรลหนักกว่านะงานขึ้นขึ้นท้องฟ้านี่เบามากเลยใช่ไหมทำไมให้เบาอะ่ะและฮิจโรลทำไมงานหนักต้องการจะสอนพวกเราวันนี้ทำงานาศาสนาต้องอบพยพตัวเองนี่แต่กเขอคิดเต็มเลยนะงานนมีอรอดเนี่ยขึ้นไปเข้าฟ้าอัลล อ, นอ์น่ะชันฟ้าละห้าร้ยปีห้ารอยปีห้าเท่าไหรนะพี่น้อง แล้วขึ้นแป๊บเดียวลงมานมหาสุบโบทีมาฆ่าทันน่ะทําไมไปง่ายเหลือเกินนะ่ะมันน่าจะต้องไปยากใช่ไหมแต่ให้ไปง่ายเพื่อจะสอนพวกเราที่อ่านกุณอ่านวันนี้ว่าการทํางานาศาสนาต้องอดทนสูงแล้วก็เป็นงานที่เหนื่อยที่สุดและถูกต่อต้านที่สุดงานงานอิสลามให้เข้าใจง่ายๆเลย <S <S ใช่ไหมชาตินุนอิสลามวันนี้จเจริญจริงแต่คนต่อต้านเยอะไหมเยอบมาก อ้างข้เล่าเนี่ยนะมีผู้หญิงมุสลิมมากคนหนึ่งไปทำคลอดที่ประเทศที่ยุโรปนี่แหละแล้วก็หมอเนี่ยหมอทำคลอดเนี่ยเป็นผู้หญิงก็คุยป ร, ปรึกษากับหมอดีวันที่ลูกจะคลอดนี่นะหมอผู้หญิงออกเวรตพราะฉันทำคลอดไม่ได้เพราะเวรทั้งหมดแลว้วให้หมอผู้ชายมา ผู้หญิงร้องไห้อ่ะร้องรง้อร้องทางรง้องทําไมฉันไม่ต้องการหมอผู้ชายฉันต้องการหมอผู้หญิงก็เสร็จแล้วก็ก็ขอร้องอะ่ะเอาหมอผู้หญิงก็อยู่ทำคลอดเขาถามว่าทำไมหมอผู้ชายทําไม่ได้เลยสามีพูดเลงแล้วผู้หญิงก็พูดอ่ะฉันนี่นะไม่เคยให้ผู้ชายเห็นหน้าฉันนอกจากสามีคนเดียวแล้วก็ ผู้ญิงก็สอนเนี่ยนะสอนหมอเนี่ยท่าก็ต้องดูแลตัวเองอีกนะอย่างน้อยสี่สิบวันไม่ยุ่มกับใครอะ่ะมีสามีสามีนอนร่วมกันไม่ได้นะสี่สิบวันแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมอีสองปีหมอไม่เคยได้ยินน่ะมอกว่าจริงอะ่ะสามีร่วมหลับนอนไม่ได้หลังจากคลอดแล้วเนี่ยสี่สิบวันจริงหรือรอก็จริงครับคุณนออัยคัมภีร์พลานอะอัน นบีสุมาสรนเขาว่าโอ้โหนี่ประเทศยุโรปนี่น่ะผู้หญิงนี่นะคลอดล่วงไดอาทิตย์สองอาทิตย์ร่วนรบนอนกันแล้วจริงเหรอเนี่ยบอกใช่ก็คุยกับคนนี้เรื่องเรื่องศาสนาอิสลามเรื่องให้นมสองปีอหฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่รอนไม่นอนร่วงกันแบบฉันสามีภรรยาอย่างน้อยสี่สิบวันถึงหกสิบวันเขาเพิ่รู้นันขอเรียนอิสลาม เรียนไปเรียนรับอิสลามหมอคนนี้รับอิสลามนี่อโลกยุโรป น, นี่นะเจริญจริงด้านวัตถุแต่หัวใจไปไงสกปรกมากไม่รู้จักเลยว่าผู้หญิงหลังจากคลอดแล้วนกโทษต้องอยู่ไฟกี่วันรักษาตัวกี่วันอัลลอฮ์ไม่อิสลามสอนทุกเรื่องแหละนี่อิสลามจะ ค, ค่อยเจริญไปอย่างนี้ค่อยๆน้อยๆแต่คนตด จ, จูจูโจเยอะมากอัลลอฮ์อัลกุบะจะนั่งยิ่งจูโจมเท่าไหรนะ อิสลามยิ่งยิ่งยิ่ ง, งจเจริญเอาต่อมาครับอิสกาลลิอาบีวกวมีม า, าตาบุดูเมื่อเขาอิบราฮีมได้กล่าวกับบิดาของเขาถื่อาซาร์และหมู่ชนของเขาว่าพวกท่านเคารพภักดีอะไรต่อมาครับอายาที่ปสิหก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 คำดุลิลลาอิฟกันเปลว่าความเท็จหรื อ, อเป็นเรื่องโกหกหรืออัอลลอฮฺสอนะบีเราเห็นบีฟังนบีไปสอนนะออิฟกันเป็นเรื่องเท็จหรือเป็นเรื่องเท็จหรือเปล่าเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าอาลีฮะตันที่ไปกราบไหว้พระเจ้า ดูนลออื่นจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องเท็จเปล่าสอนให้ชาติปัญญาอาที่เองไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮนะ์น่ะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จเป็นเรื่องโกหกหรือเป็นเรื่องจริงชาตปัญญาดูบางหลบอังบันเล่าให้เรื่องของนบีนะใช่ไหมอิบรอฮิมเนี่ยเล่ากับอิบรอฮิมไล่นบี ม, มุ h มมั m m a d ฟัง ที่มาเคารพพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั้นน่ะพวกท่านอะไรตูรีดูนประสงค์อะไรประสงค์ความเท็จหรือประสงค์ความถูกต้องสอนดีไหมอฟกันอะลีฮะตันดูนลอฮิตูรีดูนที่มาเคารพพระเจ้าอื่นอื่นจากอัลลอฮ์นั้นน่ะพวกท่านปรารถนาประสงค์ความเท็จหรื อ, อประสงค์อะไรประสงค์เท็จเลย ใช้ชีวิตแบบเท็เท็อยู่บบผิดผิดก็นั่งเลือกี่สอนเอาหล่อชีวิตเท็ดเท็ไปนอนคับพวกเรานี่อยู่ชีวิตแบบเทๆๆๆ็เท็กัเยอะนะนี่ผมนั่งอ่านหนังสือมาคืนได้ข้อคิดเยอะนะคนมมนาฟิกกับคนมุมมิมเนี่ยความคิดไม่เหมือนกันนะแค่คิดไม่เหมือนกันเนี่ยตกนรกเลยนะ มุมินนีนะ่ทั้งโลกเนี่ยคิดว่าอัลลอ์ใหญ่สุดทำความดีทั้งหมดให้อัลลอฮ์พอใจดูอาตรงไหนอินนอาตีวานุสูกีวามะฮยาวามามตีลิลฮิรบินอาเลมีอินนามของฉันการเสียสละของฉันการมีชีวิตของฉันความตายของฉันอัลลอ์ต้องพอใจอ น, ใจ น, ใจ น, ใจนี่ความคิดของผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ ทั้งโลกคิดแบบนี้หมดเลยพี่น้องแต่ความคิดของคนมูนาฟิกมูนาฟิกอันแล้วใช่มอยู่ในสมัยนบีจะเยอะที่สุดแล้วก็นบีก็ไม่รู้ด้วยพาะมาณมาศที่มัสยิดแบบแบบนบีเลยมานมาศแบบนบีแต่เป็นมูนาฟิกอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังความคิดของมูนาฟิกแบบนี้ความคิดของคนมูนาฟิก ให้ความสำคัญกับตัวเองนี่สำคัญมากครับไปนอนให้ความสำคัญกับตัวเองนี่ความคิดความมโาฟิกวันนี้ก็ตามใครที่อยู่ในโลกใบนี้ <c oughs> มองตัวเองสำคัญกว่าอิสลามสำคัญกว่าอัลลอฮ์สำคัญกว่าระซูนสาคัญกว่าซุนนะนบี una, abi, อีกเป็นมุนฟิกเช็คตัวเองครับไม่ต้องไปชี้หน้าใครด้วยกลอดีได้ไม่ดี แค่นั้นเป็นโมนาฟิกนะครับอัลลอฮ์สอนดังนัุ้ณอ่านพานบีฮา น, นบีนบีก็ไม่รู้เลยเรื่องหัวใจใครจะรู้เลยจไละไม่นะนบีเล่าเองอัลลอฮ์เล่าเองคนเองโ ม, มนาฟิกจะมาหาคุณนะอะอย่างเนี้ยสะสะลาบะ <laughs> มานมากระทานนบีทำตัวเหมือนซอบ้านเลยอะ่ะเคลิกกรมมหานบีนบีครับผมอยากจะรวย <laughs> ขอทุอาให้รวยหน่อย แล้วฉันจะดูแลศาสนาของอัลลอฮ์จะบริจาคดูแลคนยากคนจนเด็กโ oh, อ้เอ๋ยหมดอัลลอฮ์ลาดนับ ก, กุญญาณาเนะี่ะมาขอต้องหลายเที่ยวนบีไม่ให้ว่า อ, อยู่อย่างนี้แหละดีแล้วขอตือนเตือนเยอะนบีขอถูกอ่ขอให้รวยอ่ะก็รวยจริงๆอ่ะผลสุดท้ายมาสุราไหมแพะเยอะขึ้ื่อนยังไหมออกหางประเทศละน้อยไปนูน่นอยู่ ใจกลางอะไรนะ่ะใจกลางอยู่กอดกลางท้องกลางนาแพะแก้วคว้ควายเต็มไปหมดแล้วไม่มาสู่เราเลยขอสักาการให้ไหมไม่ให้นี่มูนาฟิกแล้วก็แม่ไม่รับสัาการด้วยเอามาอย่างนี้นี่อัลลอฮ์เล่าทางอภิรอานเล่าให้พี่น้องให้นาบีฟังให้นาบีมาสอนจะเป็นมูนาฟิกไม่ต้องไปตำหนิใครเตือนให้รู้ถ้าเป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ ต้องให้อัลลอฮ์ใหญ่สุดให้นบีใหญ่สุดให้ซุนนะใหญ่สุดเอาประเพณีมาแข่งกับซุนนะนบีไม่ได้ต้องอ ท, ทิ้งไปหมดเลยฉะนั้นคนโมนาฟิกให้ความสําคัญกับใครกับตัวเองความคิดของตัวเองความรู้ของตัวเองอาชีพของตัวเองตําแหน่งของตัวเองครอบครัวตัวเองกอรุณไปรอดไหมฟาโรห์ไปรอดไหม ไม่รอดสักคนหนึ่งนุมรูกก้ก็ไปไม่รอดที่มหากษัตริย์ที่เล่นงานนาบีอิบราฮิมรอดหรือไม่รอดไม่มีใครรอดสักคนนึงจะนั้ใครที่หลงตัวเองหลงเงินตัวเองหลงความรู้ของตัวเองไม่พึ่งอัลลอฮ์นะมุนาฟิกทั้งหมดเลยครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ในความรู้จากกุรา อ, อานอัลลอฮ์ได้สบายใจอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฉะนั้นชีวิตเราต้องม่งไม่ใครให้อัลลอฮ์องเดียวทําเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับอลัลดุลิลลาเอาต่อมาครับ ที่มาเคารพพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอ์นั่นนะ่ะพวกท่านปรารถนาประสงค์ความเท็จหรือพี่น้องผมกับฟังของเนี่ยด็อกเตอร์จากิตเนกพูดดีนะคนที่จะเป็นพระเจ้าได้ต้องมีสีลักษณะใครอยากเป็นอัลลอ์ต้องมีสีลักษณ ะ, Allah, ษณะที่หนึ่งคุณฮูวัลลอฮุอะฮัดอัลลอ์มีองค์เดียว สร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยทําได้ไหมถ้าเองทําได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอัลลอฮฺหุสธรมัตอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเองทําได้ปะข้อที่สามละมยญลิดวะละมยูล it, ัดไม่ประสูตและไม่ถูกประสูตไม่มีพ่อและไม่มีลูกเองทำได้ปะข้อที่สี่วะละมยะกุลละหูกุฟวะละนัก และไม่มีอะไรเสมอเหมือนอัลลอ์ถ้าใครมีสี่ข้อนี้เป็นพระเจ้าได้เลยแล้วก็มีไม่หลักรับอิสลามาทีละคนละคนไปจําำนวนตนตัวอัลลอ์หมดเลย of, อ่ะนี่ definition of อ่า ษ, าา ษ, าษานี่นะภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยนะจำกัดความของคำว่าพระเจ้าหนึ่งองค์เดียว สองเป็นที่พึ่งของสปปรรพสิ่งทั้งหมดสามไม่มีพ่อไม่มีแม่และไม่มีลูกแล้วก็สีไม่มีอะไรเสมอเหมือนนี่ definition of god ทำดิบอาใครอยากเป็นพระเจ้าต้องเป็น ม, มีสมีข้อนี้นะเรากราบเลยสุ้ยุ่เลยถ้าไม่มีไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองซะหันไปยังอิสลามเถอะมารับอิสลามเถอะนะเอาออต่อมาครับ อายะที่แปดสิบเจ็ดฟ้ามั่นนุกุมบิรบบิลลาลมีนฟ้ามั่นนุกุมบิรบบิลลาลมีนฟ้ามั่นนุกุมบิรบบิลลาลมีนย้อนหน้าแปลว่า มาแปลว่าอะไรรอบบินพระพุทอภิบาลไม่ใช่พระเจ้าพระพูทอภิบาลอัลอฮ์เมีแปลว่าจักรวาลอยายะนี้ต้องการจะบอกว่าที่พวกท่านไม่เคารพอัลลอฮ์องเดียวไปยึดพระเจ้าหลายองค์ยึดโตตะเกียยึดปุญยาตายายเป็นทางนําของชีวิตเองคิดว่าอัลลอฮ์คิดว่าอัลลอ จะทำอะไรคุณหรือเปล่าฟามาซอนนุกุมบิรอบบิลงาเลมินฉะนั้นพวกท่านคิดกอะไรเกี่ยวกับพระผู้อาภิบาลของส า, ลลากลจักรวาลคิดว่าอัลลอฮ์จะไม่เล่นงานคุณเหรอสร้างคุณมาสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนให้นูน้นให้นี่สารพัดมนุษย์นี่นะครับแล้วคนไม่กราบอัลลอฮ์ไม่พักดีต่ออัลลอฮ์ไม่สุจุต่ออลอดานาบีมุฮัมมัดาดานู่นดานนี้อัลลอฮ์ ยูนิเวิร์สเนี่ยจะไม่จัดการอะไรกับคุณเลยหรือจะนั่งเงียบงี้ให้คุณเลยเตือนดีได้ไม่ดีเตือนดีมากเลยทำจริงละฉะนั้นพวกท่านคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรเกี่ยวกับพระผู้อภิบาลของสากลแลจักรวาลที่ทุ่มอะไรทำผิดผิดอยู่บนโลกดุยญญาในใบนี้ไม่เชื่อนบีปฏิบัติตามนาบีไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อรอซูลคิดว่าอัลลอ์จะไม่เล่นงานคุณเหรอ นี่ตั้งแตภาษาภาอุดูที่คุณไม่เอาอัลลอฮ์วันนี้นะคิดว่าอัลลอฮ์ไม่เล่นงานคุณละเพราะอยู่สบายบนโลกนี้ให้โลกเดียวน่ะหลงแล้วเหรอนี่แค่ให้อยู่โลกเดียวนะ่ะยังมีอีกสองโลกใช่ไหมอัลลัมบาจาห์อัลลัมอาคระรอใช่ไหมนี่ให้โลกเดียวเนี่ยลืมมาร้อแล้วเด้อ ให้คนไม่เอาศาสนามีเงินใช่ไหมมีตำแหน่งมีนู่นมีนี่อะไรต่ออะไรอุลโลวักบัสเป็นน้องนึกนะมักกะเนี่ยใครเป็นเจ้าของกาบ้านใครเป็นเจ้าของใครครับใบตุลว่าใครเป็นเจ้าของอัลลอฮฺเป็นเจ้าของนึกนะกษัตริย์ทาบชาเยเมนต้องการที่จะเอาช่างมาทำลายมาแล้วก็ อับูตอลิฟใช่ไหมอบับดุลโมตอลิฟเนี่ยถูกถูกกษัตริย์เนี่ ย, กกยจับอูดไปอ่ะหลายตัวน่ะไปขออูดคืนนนี่อูดฉันฉันเป็นเจ้าของแล้วก็กษัตริย์ถาว่าแล้วใบตุลล้อล่ะไม่ใช่ของฉันของอัลลอฮ์นี่คนกาเฟตพูดว่าใบตุลล้อเป็นของอัลลอฮ์เราเป็นเจ้าของวันนี้ใบตุลล้อนี่น่ะ ขอโทษนะพูดแตะเป็นนิดหนึ่งนะอารับซาอุดีพูดว่าถัดมันเจ้าของคิดผิดนะแต่แค่นี้พอนะครับกระเทือนแค่นี้พอฟารมาซอนนกุมบิรบบิลาลามีนฉะนั้นพวกท่านคิดว่าอะไรเกี่ยวกับพระพูดอภิบาลถังสาคนและจักรวาลพี่รองครับคนที่คิดว่าตัว ตัวเองเป็นเจ้าของกะบะเองเหนื่อยนะแล้วก็ไม่สําเร็จด้วยเองจึงเสียอีเย้แยเป็นมลถ้าคิดหมายได้ไหมนี่เป็นบ้านอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลมัสยิดหลังนี้บ้านอัลลอฮ์ใครเป็นเจ้าของอ่ะถ้าเป็นเจ้าของเจ้าของในนามอย่างเดียวมาดูแลมัสยิดทานมัสยิดเรียกคนเข้ามัสยิดมันต้องแบบนั้นไม่ใช่ฉันเป็นเจ้าของโอยหนักหน้าถ้าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของพูดแบบนี้สบายใจไหม อลเป็นเจ้าของฉันอัลลอ์เป็นลูกจะเป็นลูกอัลลอ์ทั้งหมดใมอให้อัลลอฮ์หมดเลยจะสงงานไม่สังงานบอกเาว่าดีแตกกันเมืองนิดนะโอเคาดีมโหอเอาต่อมาครับฟานาซรอร์นซรอตัฟินอูจูมฟานาซรอรนซรอตัฟินนูจูม ฟานาซอร์นาซอร์ตันฟินนูยูมนาซอร์แปลว่ามองนาซอร์ตันการมองฟินนูยูมนูยูมแปลว่าดวงดาวเป็นปหพหะพจน์ดวงดาวหลายดวงเขานาบีบรอฮีม ทอดสายตาดูดวงดาวทั้งหลายนี่เป็นเป็นเป็นศาสนาหมดเลยนะสังเกตดูดวงดาวเป็นศาสนานาซรอบไดว่ามองผมก็เช็คฮะดิษนะมองอะไรได้ผ ล, ลบุญละมองอะไรไม่ได้ผ ล, ลบุญมองอัลกุรอาน ทำให้สายตาดีเนี่ยคุรานน้ำมึกเขียวๆนี่แหละมองอัลนุรานเป็นภาษาอับทําไม่สายตาดีครับยิ่งมองตอนเช้าเช้าตอนสักุธเนี่ยตอนตีสามครึ่งตีสีเนี่ยอ่านคุรานสม่าเสมอแล้วก็มองใบหน้าพ่อแม่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์มองหน้าผู้หญิงสาวๆ ส, สวยๆไม่ใช่ลูกเราเป็นบาป เอกมองได้ครั้งเดียวครั้งที่สองให้ลดสายตาฟื้นอารมณ์ครับฟื้นอารมณ์นั่นแหละวจาดฮาเลาบัตเตอีมานเขาจะได้พบกับความหวานฉ่ำของอีมานต้องบอกกันในบ้านไป่นอะพ่อต้องอธิบายให้ลูกฟังการมองเป็นศาสนานะครับมองอัลกรุรอานมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มองใบหน้าพ่อแม่ด้วยความรักด้วยความเอ็นดูด้วยความเมตามเมตาขอร้องให้ท่าน มีรางวัลตอบแทนจากอลลัมมองชันฟ้ามองแม่น้มองอะไรนะทัศทะเลมหาสมุทรเขียวเขียวมองต้นไม้ใบหญ้าเขียวเขียวถ้าสายตาดีหมดมองหน้าผู้หญิงสวยๆเป็นไง <laughs> นี่อิสลามสอนละเอียดถึงขนาด น, นี้รับอิสลามกันเถอะเอาอิสลามมาใช้เธอทำด้วยลิลเล็น์พี่น้อง <laughs> คนมุนาฟิกมอง มองนี่คุณอ่านอธิบายอย่างนี้นะครับไว้จะมาอุนซิลสุรตุนาะซอรบ่าวดูหุมอีลาบับฮะลยะรักุมมินอห์ดินซุมมันซารุฟุสุรตาบะยาติรอยี่สเจ็ดครั้งใดที่คุรอ่านถูกคืออย่างนี้ค น, น, นมุนาฟิกเนี่ยอยากเห็นมุนาฟิกให้ความสาคัญกับตัวเองเนี่ยนะอยากเห็นว่า คุณอ่าน ล, ลงมาหานาบนะีมาอย่างไงก็นั่งอยู่ในมัสยิดนบีนั่นแหละนบีไม่รู้คติมูนาฟิกอัลลอฮ์นบีฟังคนมูนาฟิกเห็นกับตัวเองนะให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่ า, าอัลลอฮ์เราซูลทั้งหมดเนี่ยนั่งอยู่ในในที่ประชุมของท่านนาบีอยากเห็นว่าวะฮีลงมาอย่างไงอลัลลอฮ์ก็ให้ประทานกุณอ่าน ล, ลงมาให้กับนบีพอประทานลงมาภาพนี้นะครับ คนที่เป็นโมนาฟิกเนี่ยจะมองกับกลุ่มด้วยกันเข้ามากันสองสามคนมองหน้ากันขเขาเลียบตายอย่างนี้ <c oughs> แล้วกูอานลงมาก็เล่าเรื่องมติพวกโ bon มนาฟิกนั่นแหละคิดนู่นคิดนี่กูอานลงมามาทํำลายหมดเลยนอะเอ้นี้มันด่ากูนี่วะรู้ได้ไงให้นบีสังเกตสายตา ม, มองลำบากกันนะมองหน้า ขลิบตาออกอย่าอยู่เลยเฮ้ยนี่มันดา่าเรานี่ว่านี่เอาเรื่องเล่าอนะไรเงี้เรื่องการมองอย่างเดียวใช่ไหมฉะนั้นคนมันาฟิกจะมองหน้ากันเองเมื่ออ่านัลกุรอานถูกประทานละมาตําหนิความประพฤติของตัวเองไม่พอใจแล้วก็ค่อยหนีออกทีละคนสองคนสําคัญนะวันนี้เราไปนั่งในกลุ่มที่เราไม่เราไม่พอใจนะ่ะเราไม่พอใจเราออกหนีออกทีละคนนะ่ะเป็นความดีใช่ไหมแต่เราบางคนนี่นะ อยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องจะหนีออกเป็นมุนาฟิกไปแล้วตระสวงตรงนี้ด้วยนะครับนี่กุรอ่านเตือนเตือนเตือนเตือ น, นนะครับพี่น้องภาษาเราวัาไงใช่ไหมอัลมุนาฟิกูลอะฮา ม, มัตูนับสูอ๋อคนมุนาฟิกเนี่ยให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่าอัลลอฮ์รอซูลมากกว่าอิสลามมากกว่าคำสั่งของอัลลอ์ทั้งหมดกับขยอสุดท้ายครับพี่น้อง فقال إ ن a س ق ي n فقال إني سقيم ف ق i n n i s a ق i m โอ้ยลืมท่านคำว่าดวงดาวเนี่ยอัลลอน์นบีมองดวงดาวมองมอ ง, มองทำไมนึกว่าเป็นพระเจ้าจะแบกมองมองดูพอดวงดาวมันดับไม่ใช่พระเจ้า ที่มาอ่านมุสบโบร์มเมชาเนี่ยเรื่องนี้แหละเรื่องอะไรไนหะดวงจันทร์กลางวันอะไรพวกนี้นะพอมันดับแสงนี่มันพระเจ้านี่พระเจ้ามันต้องอยู่ไปตลอดใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับนบีอิบราฮิมเนี่ยร่อนเล่าให้ฟังใ น, นนังตะเต็กอุลัยผ่านนะผ่านกุณอ่านว่าคือนบีพิมเนี่ยเป็นคนที่ทําลายจะเวิตเล่นแบบแรงๆหน่อยแต่นบีเนี่ยมาแบบนิ่มๆเข้าใจนะ อิบราฮิมเนี่ยนิ่มด้วยแรงด้วยมีบุหรี่เกินต้งสองอย่างไปทําลายจะเวสใช่มไหมรูปปัน้นอะไรนะเอาขวานไปทุบไปทําลายหมดเลยแล้วก็เอาขวานไปแขวนที่คอเจ้าพ่อตัวใหญ่อย่ า, ยยางนี้นะ <c oughs> พระญาติญาติพี่น้องเขาก็มโหเลยสิตอนนี้ก่อนที่จะทําลายเขามีงานประจําปีเขานอกเมืองเขาก็ชวนอิบราฮิมไปด้วยพ่อก็ต้องไปพบกันเจ้าพ่อใหญ่ใช่ไหมล่ะ ทำเจเวดขายด้วยใช่ไหมบอกอิราฮิมไปไหมบอกไม่ไปคำตอบฟากอลอินนีสตีมแล้วขาวอิบราฮิมกล่าวว่าแท้จริงฉันป่วยไปไม่ได้ไอคำว่าสกีมวอันนี้ทับซดอธิบายเยอะมากไม่ได้ป่วยว่าป่วยทำไมอธิบายงี้ เขาอ า, อาจจะป่วยอตอนนี้มันเบื่อๆยังไงเขาอธิบายดีนะรู้สึกมันเบื่อเอออารมณ์ไม่ค่อยดีไม่อยากจะออกไปไหนอยากนั่งเฉยๆคนเดียวในอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่ป่วยจะป่วยในอนาคตนั่นแหละแต่พูดมาก่อนว่าฐาน ร, รู้สึกว่ามันเอื้อมๆยังไงก็ไม่รุนะ <c oughs> คือเอือมรูปเอือมรูปเอือมจรวดนั่นแหละยังไม่ได้ทำให้จะจะ <c oughs> จะให้ญาติเป็นน้องให้พ่อตัวเองปลอดภัยจากการลงโทษของอนะัลลอฮ์น่ะคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าการไปกราบจเวดนั่นมีแต่ไม่มีอะไรดีเลยนะแล้วเอ็งคิดว่าอัลลอฮ์จะจะไปเล่นงานกูเหรอแต่ไม่เล่นบนดุลย์าแต่จะไปเล่นตอนไหนหลังตายเล่นในกูโ บ, โบนเะป็นน้องมันหนักกันนาดไหนละ่ะฉะนั้นเป็นน้องอย่าลืมนะเวลาอัลลอฮ์ให้คนคนมุนาฟิกคนนอนมุสลิมนี่นะ มีความสุขสบายบนดุญยานี้ต้องอธิบายอย่างนี้อิสติโอจันอยู่ให้เขาสบายค่อยๆสู่ความไหายาณะที่หลังอย่าไปหลงอย่าไปหลงก่อชื่อเสียงตำแหน่งเกติยศร์ไม่จชหน้าที่เรานะพยายามเผยแพ่ อ, พอิสลามช่วยกันเผยแพ่ อ, พอิสลามรอพี่น้องครับตัวเองต้องทำก่อนนะแล้วก็สอนคนอื่น و ุ ت เบ ب ح ا กัสบฮันาะก و อัลลอฮฺ ا ะวะบิ ا ัมดิ ت ัสัล و าฮฺอิลล่าอิลล่าอัลลอฮฺอัสลัฟิร